แต่เธอเข้าใจผิดว่าตถาคตเนี่ยที่บอกว่าตาคตจํากัดความเจริญเนี่ยจริงเพราะว่าวัฏตะเนี่ยตาคตตัดได้แล้วไม่ให้เจริญงอกงามไม่ให้การสืบต่อไปแล้วปฏิสนธิไม่มีแล้วในภพถ้าพูดอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของตถาคตจะไม่ไปในภพอื่นแล้วก็สอนบอกเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร ญ, ญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นรังของโรค เป็นโรคเป็นหัวปีเป็นลูกสอนเป็นความลําบากเป็นหลุมทันเพลิงนะฉะนั้นต้าทายบอกว่าและท่านก็ยกตัวอย่างในชั้นว่าแต่าทายท่านยกตัวอย่างนะท่านเออในท่านพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมาคันดิยะท่านผู้เองนะตอนที่ท้าทาคตเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ได้ตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธาตอนนั้นท้าทาคตมีนางสนมอยู่สี่หมื่นนาง นางสมุนางสนมสี่หมืนนางนี่นะก็คือว่าหนึ่งคนก็เท่ากับเตาเตาเพิงอ่ะ เ, เท่ากับเตาไฟหนึ่งเตาอ่ะถ้าสี่หมืนคนก็คือมีเตาไฟอยู่สี่หมื่นเตาตอนนั้นตาขาคตเป็นเจ้าชายศิทธฐาถานั้นตาขาคตเป็นโรคเรื้อนจะต้องเอานางสนมสี่หมื่นนางซึ่งเป็นเตาไฟสี่หมืนเตาเนี่ยมาอังมาผิง เพื่อจะทําให้ทําให้แผลคือโรคเรื้อนมันแห้งทีนี้ในขณะที่เผาไฟอยู่เนี่ยนะรนไฟย่างไฟอยู่นั้นนะ่ะไอ้ตัวแผลมันก็แห้งสะเก็ดแผลมันก็แห้งคนที่เป็นโรคเลื้อนก็ใช้มือแกะสะเก็ดแกะแกะแกะมันคันใช่ไหมแกะที่ขอบสะเก็นั้นแกะเข้ามา ไอ้ตัวหนอนที่อยู่ข้างในมันก็ชอนพอมันเจอความร้อนจากไฟอ่ะเป็นต้นมันก็ชอนเข้าไปข้างในไอ้น้ําเหลืองมันก็ไหลออกมาเรื่อยความเจ็บปวดมันก็มากขึ้นมันก็ไม่พอมันก็ต้องย่างเรื่อยเพื่อจะทําให้หนองมันแห้งไงไอ้เจอตัวหนอนข้างในตัวเชื้อโรคข้างในมันไม่ตายเนี่ยมันก็เจาะแผลลึกไปเรื่อยมันก็ทําให้หนองไหลปูดออกมาเรื่อยเราก็เลยต้องใช้เตาเยอะ สี่หมื่นเตาอ่ะแต่อยู่ต่อมาตถาคตรักษาโรคนี้หายแล้วบัมเพนบา ร, รมีมาจะไม่รักษาโรคนี้หายแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้อาตมรัมกที่บริเวณโพธิมณฑลเนี่ยต้นพระศรีมหาโพเนี่ยที่พระแทนวัชิระ ร, รัตนาบัลลังก์ประชุมอาตมรัมกได้ประชุมบริปักยธรมได้ขจัดโรคเรือนนี่ กิเลสในใจขาดสะ บ, บั้นเป็นสมุทเททาบานแล้วตอนนี้สถาคตไม่เป็นโลกแล้วหายจากโลกแล้วถามว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปผิงไม้อังอยู่แล้วถ้าจะให้กลับไปเป็นโลกอย่างเก่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเท้าส ก, กะตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุนี่เเท้าสกาเนี่ยมีเตาอยู่สามโกดครึ่ง นางสนมของท้าสกาในชั้นเดาดึงอ่ะสามโกดครึ่งโกดหนึ่งสิบล้านใช่ไหมสามโกดแปลว่าเท่าไหร่สามสิบล้านอีกครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ห้าล้านท้าสกามีเตาเนี่นะที่คอยผิงคอยอังเนี่ยที่เป็นโลกเนี่ยพบเป็นโลกเลือนตอนนั้นนะที่ยังไม่ตอนยังไม่ได้บรรลุตอนนี้บรรลุแล้วนะท่าน ต, ต้องใช้เตาประมาณ สามโกดคือหรือสามสิบห้าล้านเต่าทีนี้พอหายโรคเรือนแล้วไม่มีความจําเป็นและอยากจะกลับไปผิงนีไปอังอีกแล้วนี่ไงกามเข้าใจยังความไม่มีโรคเป็นลาวันประเสริฐเข้าใจยังก็คือการไม่มีอะไรไม่มีโรค ป, ประคันไม่มีเวทนาขันไม่มีสัญญาสังขารไม่มี วิญญาณาขันธ์ฉะนั้นการปรินิพานไงคือการไม่มีโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาวันมเสสเกอใจอยังความไม่มีโรคก็คืออันนี้นิพานก็คืออันนี้ฉะนั้นพระเจ้านั้นได้อนุปาฏาปรินิพานแล้วพระเจ้าหายโรคเด็ดขาดได้ยัแล้วพวกเรายังมีอยู่ไหมเนี่ยโรคอะไรนะเมื่อกี้ว่าโรคอะไรโรคอะไรนะโรคเรือดใช่ไหม เรายังจะต้องกลับไปผินกันอีกไหมเนี่ยทางตาเราต้องอังไหมทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจไอ้ตัวโรพาโทสาโมหนะนี่ยคือตัวโรคไอ้ตัวหนองเนนะ่ะไอ้ที่มันเกิดความอยากความยินดีเพื่อเพื่พพอกมาแล้วไปทํากิจต่างๆอันนั้นคือหนองมันไหลตอนเนี้ยหนองมันไหลตลอดเวลานะในขณะที่ราคาโทสามโมหะเกิดขึ้นทนะ่านทั้งหลายเห็นหนองมไหมว่ามันไหลยอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะ นั้นพระบรมศาสดาตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านบอกหันหลังจากโทษเพราะท่านเห็นว่ากรเรวัละเนี่ยอัญญาวาหนาคืบเป็นต้นตลอดถึงนามคือเวรน า, าสัญญาสังขารนิยามมันเป็นโทษท่านก็เลยหันหลังแล้วมีความสลดใจเห็นไหยท่านก็สลดใจเป็นเหตุใกล้ไอเราคิดอย่างนี้มีความสลดใจไหมอินเนคัมมะเนี่ยเนคัมมะบา ร, รมีคือการออกจากกามทั้งหมด เป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้ค้นพบเป็นข้อที่สามซึ่งเป็นเหตุให้ได้ศีล ส, สมบัติถึงพร้อมด้วยศีลเนคขมาระะมียี่ยมเห็นโทษในการคลองเรือนเห็นอนิสง์การออกจากเรือนโดยเนคข ม, ม่าถามว่าเนคข ม, ม่าเนี่ยคือการบรัญรชาในอัิโกาสในการทําศีลให้บริบูรณ์เนคข ม, ม่าเป็นคําว่าเนคข ม, ม่าจริงๆเป็นรรสัพท์สันสกิดนะบาลีเป็นนิกกโมหรือเป็นนิคขมนงัง นิก็แปลว่าออกนะเป็นบทหน้ากมุธาตในความก้าวเนาะอาปัจจัยก็ลบอุที่สุดธาตุก็เป็นนิกโมหรือนิกะมะนิก็เป็นบทหน้ากรรมะธาในความอดทนลงยุ ป, ปัจจัยสันสกฤตเป็นเนคขมมะรือก็แปลว่าการออกไปการออกไปก็คือเห็นโทษในการคลองเรือนพระโพธิสัตว์ให้สังเกตด้วยนะว่าหลายภพหลายชาติบำเพ็ญเนคขมมะทำไมชอบใจ ในมหาสุทัศนะชาดกก็ดีในมหาสุทัศนะสูตรนะที่จะกล่าวไว้ในเออในนี้ก็มีมหาสุทัศนะท่านบำเพ็ญทานทาบารมีนะตอนท่านเป็นเด็กๆนั้นมีอายุแปดหมื่นสี่พันปีของราชอยู่แปดหมื่นสี่พันปีแล้วบําเพ็ญเนคขมาอยู่แปดหมืนสี่พันปีโอยท่านให้ทานยิ่งใหญ่มากพอให้ทานเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็บําเพ็ญเนคขมา บำเพ็ญเนคขมาอยู่แปดหมื่นสี่พันปีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยตอนนั้นนางสุพัตถามอามาสรุปสรุปตรงเนี้นะเพราะจริงๆว่าเวลาเราจํากัดออกมาก็เลยย่อใช่ไหมคืออย่างนี้ในตอนนั้นพระบรมศาสดาจะประี้นิพพานที่กุสีนาราใช่ไหมที่กรุงกุสีนาราพระนนรินธามว่าบรมศาสดาว่าทําไมจึงต้อง มาปริทนิพานที่เมืองเดีวพระเจ้าก็บอกว่าเป็นเมืองเล็กน้อยเออเป็นเมืองเล็กน้อยพระนนท์ก็บอกพระเจ้าบอกดูก่นะนอนันนนท์เธออย่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เมืองเล็กน้อยเลยว่างั้นเพราะว่าที่กุสินาราเนี่ยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเป็นเมืองที่พระเจ้าพระพระเจ้าจากักรพรรดิเคยอยุบัติเกิดขึ้นคือมหาสุทัศนาเนี่ยพระเจ้ามหาสุทัศนาเนี่ย คยุบาตเกิดขึ้นมีทั้งช้างแกะมีทั้งขุนพลแก้วใช่ไหมขุนคัคงแก้วแล้วก็มีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วจักรแก้วเป็นต้นเหล่านี้นะก็คือเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะปกครองทวีปทั้งสี่นะชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปอัปรากโอยานททวีปแล้วก็อุตรกุรุทวีปอุอปภะวิเทาหะทวีปแล้วยังทวีปน้อยสองพันเป็นบริวานนะ ในพบบางพบเนี่ยอย่างเช่นในมันธาตุราชชาดกตอนนั้นพระวริษฐ์ก็เป็นพระเจ้ามันธาตุราชถ้านั้นน่ะท่านก็ชี้โทษให้กับพระได้รู้ตอนที่ท่านเป็นพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยท่านไม่ใช่ปกครองทวีปทั้งสี่แล้วทวีปน้อยอีกสองพันไ้นะท่านยังส่งจักรขึ้นไปย่งยังยังไปปกครองจารุมหาราชิกาอีกจากจารุมหาราชิกาท่านก็ไม่พออีก ท่านกิเลสของท่านไม่หยุดใช่ไหมโลภะของท่านไม่หยุดตัวท่านก็ถามท่านก็ถามช้าเท้าจ่าตุ้มมั้ยีเมืองที่มันวิจิตรพิสดารสวยงามอีกไหมเท้าจ่าตุ้มบอกมีที่ไหนนู่นไงเท้าสกะว่างั้นท่านก็โยนจับขึ้นไปท้ารกับเท้าสกะเท้าจักสก่าไม่กล้ารบก็เลยบอกขอแบ่งเมืองครึ่งหนึ่งมีการเจรจากันคนละครึ่งในสุดยิงพระเจ้ามันทายุลารก็เป็นนั่งอยู่บนนั้นจนเท้าสก่ตายไปสามสิบหกอง คิดไปคิดมาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแค่ครึ่งเดียวไม่พอก็เลยจะต้องการอยากจะได้มากแล้วก็เป็นเหตุทําให้กิเลสเผารุนตัวเองแล้วก็ลงมาสวรรคตแล้วก็เหตุนี้ยท่านก็เอามาเล่าในมัณฑตุรา ช, ชาดกเล่าเป็นเหตุในพระนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในกามนี่แหละเห็นโทษของกามนี่แหละเห็นโทษกามะามาคุณเนี่ยแล้วก็ได้บรรลุเลยเนี่ยนะและในเรื่องนี้ก็ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็ดึงเรื่องเนี้ไปกล่าวไว้ในกานกุลุ คือที่ว่าถ้าท้ามันทาตุราเป็นต้นที่ไปเอาชาวอุตรลักุรุทวีปมาแล้วก็เลยมีกุรุรัดกันทุกวันเนี่ยที่อยู่ที่อินเดียทุกวันนี้เป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาเทศนาสติปัฏฐานสูตรเห็นไหมเรื่องราวก็เชื่อมโยงกันเยอะแยะทีนี้แต่ท่านในมหาสุทัศนะเอในในจริยาปิฎกก็เล่าไว้ในเรื่องของทานบารมีแต่ในทานบารมีนั้นองค์ความว่ามีศีลบารมีเน่ฆมาด้วย เพราะในบุกนะแล้วอย่าลืมนะว่าพระโพธิสัตว์นี่นะที่ท่านเล่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยบารมีสิบท่านเดิน่ะเดินหมดนะไม่ใช่ไม่เดินไม่ใช่อ้ชาตินี้บำเพ็ญแต่ทานบารมีไม่ใช่ทั้งศีลบารมีเนลขขมา้าปัญญาวิริยะขันติสัจติฐานเมตตาเวขาท่านเดินหมดแหละแต่ว่าอะไรจะเข้มข้นไม่เข้มข้นก็ต่างกันแต่ถ้าในคัมภีจริยาบิดกนี่นะใ น, ในเรื่มจริยาบิดกเนี่ยท่านจะกล่าวไว้สามบารมี การไว้ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนี่ยขมมะนี่เป็นหลักๆแต่แม้ในสามบา ร, รมีนั้นท่านก็ประชุมบา ร, รมีไว้ครบอันนี้ามาสรุปไว้ให้อย่างเนี้ยนะสรุปไว้ให้ประเด็นตรงนี้ยแม้อย่างนั้นก็ประชุมบา ร, รมีไว้ให้ครบเลยแต่ถ้าต้องการจะดูปัญญาบา ร, รมีก็โน่นไปดูในชาดกนะเวิรยรญาบา ร, รมีก็ไปปัญญาบา ร, รมีก็ไปดูในในชาดกในที่ต่างๆตามประกอบเรื่อง หรือวิริยะบารมีขันติสัจจะที่ฐานะต่างๆอะไรนี้ก็จะมีอยู่ตามชาดกต่างๆมีอยู่ในกาีพุทธวงศ์บ้างในอภิธานเป็นต้นบ้างนะก็ดูในรายละเอียดต่าง ๆ, ๆมีเยอะก็ต้องจัดมามามาเป็นเรื่องราวต่างๆทีนี้ในมหาสุทัศน์นานี้ตอนนั้นท่านก็อายุมากตอนที่ว่าแปดหมื่นสี่พันแปดหมืนสี่พันใมตอนครองราชอยู่แปดหมืนสี่พันปีกับนางสุภัตตาเทวีซึ่งเป็นนางแก้วเนี่ยนะต่อมาพระ อ, องค์ก็ ออกบำเพ็ญเนค ข, ขมะอยู่ปร า, าสาทยนปร า, าสาทถามว่าก่อนที่จะบำเพ็ญเนค ข, ขมะท่านคิดเจรณ า, าไงก็คิดแบบเนี้ยเบื่อหน่ายใช่ไหมเพราะลักษณะของเนค ข, ขมะบา ร, รมีมีอะไรมีการออกจากกามแล้วออกจากภพเลนเป็นลักษณะมีการประกาศโทษประกาศโทษของกามท่านประกาศโทษของกามยังไงอ่านธรรมวิจรารณาไงดูว่าท่านมีท่านมีปร า, าสาทแปดหมืนสี่พันปร า, าสาท มีบรรลัง 84,000 บรรลังรัตรนาก็ 84,000 รัตรนากเงี้ยสเวชชาัดก็ 84,000 อย่างนี้เป็นต้นเน่ะมีนางสนมกำนันก็ 84,000 ก็มีกองทัพช้างกองทัพมา้าคนลถเป็นตัวอย่า ง, างละ 84,000 แล้วก็มีเมืองขึ้น 84,000 เมืองอาหารแต่ละวันก็ 84,000 สำรับผ้ า, าที่ใช้ก็คือ 84,000 โกดทับรองท้าก็เท่านั้นแหละ เอามีใครมีรองเท้าเท่านี้ไหมไม่มีใช่ไหม เ, เราใครผ้าแปดหมื่นสี่พันกอดพับเคยได้ยินคนรวยขนาดนี้ไหมไม่มีในโลกนี้ไม่มีแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีท่านก็มาพิจารณาดูดูดที่ว่าบัลลังก์เตียงบันทมแปดหมื่นสี่พันเตียงไม่จะนอนจริงๆก็เตียงเดียวใช่ไหม เตียงเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็นิดเดียวในเตียงนี่ น, นเ ย, นน เ, นยเราคิดดูว่ากับข้าวเนี่ยแปดหมืนสี่พันสำหรับกินจริงๆก็สำหรับเดียวเอาสีนเนี้ยเครื่องประดับทั้งหลายอย่างละแปดหมืนสี่พันอย่างละแปดหมื่นสี่พันใช้ทีเดียวครบเนี่ยจะใช้รองเท้าค้างละแปดหมื่นสี่พันค้างไม่ได้แล้วเสื้อผ้าต่างๆทั้งก็พิจารนนะก็ะเห็นโทษออกต่อมาบ่มเพนนะ พอเบินเ่นเพลิเบำนเพ็นเนกขำมากพอคร บ, บตอนนั้นท่านใกล้จะสอนนคตแล้วนางพัทธาเทวีก็คิดถึงพระเจ้ามหาสุทัศนะนางก็เตรียมไพ่พนยกเกาะยกกำลังกองกำลังไปไปเฝ้าก็จะไปเฝ้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เห็นก็เอ๊มไม่สมควรก็ให้เอาเตียงบันทมมาไว้กลางแจ้งพระองค์ก็นอน นางก็มาร้องไห้ร้องไห้ว่าขอให้พระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยผูกใจไว้อย่าด่วนสวรรคตผูกใจไว้กับนี่แหละเมืองขึ้นแปดหมืนสี่พันเมืองเอ่ะแมกองทัพแปดหมืนอย่างละแปดหมืนสี่พันอย่างละแปดมื่นสี่พันรัตนแปดหมืนสี่พันปาสาปดหมืนสี่พันปรสา 8, 000, ปรสาทเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันเรือนเตียงจนถึงว่านางสนม8ปดหมืนสี่พันนาง อาหารวันละแปดหมื่นสี่พันสำหรับเป็นตัวให้โผกใจวใ ว, ใจว่างั้นให้โผลใจวายาโพธิสัตว์ก็บอกว่าออดูก่อนนะพัฒนาเทวีเธอพูดไม่ดีเลยคนที่ตายด้วยใจที่อาวรเนี่ยจะไปไม่ดีนะจะไปทุกข์เตีย้ยให้พูดใหม่บอกว่าข้าแต่พระมหาสุทัศนะผู้เจริญขอให้พระองค์อย่าได้อารยาวรให้ใช้คำนี้ อย่าได้อาวรเมืองขึ้นแปดมื่นสี่พันเมืองไล่ไปตามลำดับนี่นะร้องไห้ไปก็บูดไปเนี่ยตอนนี้พระเวสัยก็สวัส์นคตแล้วก็ได้ฌานสมาบัตรริเกิดเป็นพรมเนี่ยในในเนี่ยจนในรายละเอียดมีเยอะนะในในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กล่าวบอกว่าเหตุผลก็คือต้องการไปแสดงมหาสัจธรรมสูตรที่ในกุศินาราทั้งนี้ ให้เห็นว่าจากทานบารมีแล้วก็มาศีลบารมีแล้วก็เนคขม้าแล้วก็ปัญญาเป็นต้นเนี่ก็ไล่ไปตามลาดับนี่เป็นอย่างนี้นี่คือเกี่ยวกับในเรื่องของลัคนาที่จตุกะในเรื่องของเนคขม้าบารมีทีนี้ในเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยการที่เราจะมาพิจารณาเห็นคุณของพระบรมศาสดาเนี่ย เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาและก็เรียนรู้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสาธยายอิติปิโสพระกวาหลังสมมาสัมพุโทโธวิจาจารณนาสัม บ, บันโนสุกโตเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยหรือเราเจริญบา ร, รมีสามสิบทัศเป็นต้นเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวเขาไว้ฉะนั้นคุณของพระบรมศาสดาแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็ได้เจริญได้นึกต่างๆนี้มาเป็นตามลําดับ อย่างคำว่าพระเนี่ยหรือคำว่าคะเนี่ยมาจากคำว่าคขมิโตเยนะสัต ด, ดัมโมขมามิโตสเทวกังคัชมาโนสิวังร ม, มังคตาดั ม, มังนามามิหัง พระสัตธรรมอันพระบรมศาสดาพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์ทั้งเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานอันควรยินดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมบรรลุแลพระองค์นั้นวานานิคมมโยตัมหาวาจังพาสติอุตตามัง วานาณิภาปณธาญาวายามันตังนา ม, ามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงอดทนจากวานาคือตัณหาเครื่องร้อยลัดทรงกล่าววาจาเลิศแล้วเพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือตัณหาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระบรมศาสดาผู้มีความเพียรยิ่งพระองค์นั้นอนัสสาสกัส ตาหนังอาาสังเทติโยชิโนอานันตคุณาสัมปันโนอันตคามิงนามามิหังนี่มาจากคำว่าอะนะพระชินอาเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจแกสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจเลยแล้วบอกเราท่านทั้งหลายเนี่ยในจิตใจเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่อุ่นใจไม่ อุ่นใจได้ยังไง ร, ราคะก็เต็มใจโทสะโมหะก็เต็มใจใช่ไหมพระชินจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจประทานอาริยามากนะประทานปฏิปทาข้อปฏิบัติให้สัตว์ได้รับความอุ่นใจใช่ไหมพระองค์ก็ประทานทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีให้เราท่านทั้งหลายได้มีที่พึ่งทานเป็นที่พึ่งศีนเป็นที่พึ่งเนคขมะปัญญาวิริยะ ขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและเวขาเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องยังใจให้อุ่นเราท่านทั้งหลายเนี่ยลองคิดถึงสิ่งอื่นที่ใจเราแห้ง แ, งแล้งหมดเลวไม่ได้รับความอุ่นใจไม่ได้รับความเย็นใจเย็นตาเย็นใจแล้วโปรดประทานความอุ่นใจแกสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณอนหาที่สุดไม่ได้มหากรุณาสมาปฏิญาณของพระองค์ก็ยองมากมายใช่ไหม อาสาธานัญญาณ6หกพุทธญาน1ยสิบสี่เวทีกระทามสิบแปดเป็นต้นพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมได้พระคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์คือบรรลุบรมธรรมแล้วระนี่มาจากคำว่าราโตนิพานาสัมปเตระราโตโยสัตตโมจเนร ม, มาเปตีทสัสเตโย รัตนเจตังนา ม, ามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในพระนิพพานสมบัติพระองค์ใดทรงยินดีแล้วอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากชาติทุกชราทุกปยาทุทกมรณะทุกข์พระองค์ใด ย, ยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ยินดีในการเปลื้องตนออกจากชาติทุกเหล่านั้นด้วย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพระมาศาสดาผู้สละข้าศึกคือกิเลสได้แล้วพระองค์นั้นส่วนคำว่าหังเนะมาจากคำว่าหันยติปาปะเกดามหังสาเปติปรังชนานังหังสมานังมหาวิรังหันตะปาปังนามามิหัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกำจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปประทร ม, มีราคาเป็นต้นยังชนทั้งหลายให้ร่าเริงในธรรมที่เป็นกุศลในชั้นอรรธรมะเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระทยร่าเริงก้าหารยิ่งใหญ่ทรงกำจัดบาปประธรมทั้งหลายได้แล้วพระองค์นั้นวนคำว่าสมเนี่ยมาจากคำว่าสังคตาสังคเตดมเม สัมมาเด เ, เสสิปานินางสังสารังสังวิคเตติสมบุตรดันตั้งนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมที่เป็นสังคตคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งกรรมจิจอุตสาหรและทั้งที่เป็นอสังคตคือพระนิพพานที่ไม่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่ง ทั้งหลายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทรงพิฆาตสังสารวัตคือขันธ์ธาตุอายตนะให้หมดสิน้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระบรมศาสดาพระองค์นั้นพุทตัสสรู้ได้พระองค์เองด้วยเสียงก้าวจนคำว่ามาเนี่ยอรหังสัมมามามาตาวะปาริโตสเตมาณทัตเทปมาดิโต มานิโตเดวสังฆีมานาคาตังนมามิหังพระบพุทธมียพระ พ, ระพาเจ้าพระองค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตรพระพุทธเจ้าเนี่ยถนอมพวกเราเนะี่ยทรงปลอบโยนในยามที่เรามีทุกข์เราเดือดร้อนนะ ต้งช่วยเราเมื่อเราติดลมนะพยายามจะดึงตอนนี้เราท่านทั้งหลายกําลังติดอยู่ในลมในโคลนตมของชาติในชราพยาธิพระบรมศาสดาก็ใช้เชือกคือพระสัตธรรมเนี่ยโยนมาให้เราจับเชือกแล้วเราจะได้พระองค์ก็ดึงกระตกเราให้ขึ้นจากลมจากโคลนตมอมมันนั้นฉะนั้นพระบรมศาสดาเนี่ยทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตร พระองค์ใดทรงกำลาบเสียซึ่งคนกระด้างเยื่ยยิงในยามที่เรากระด้างในยามที่บาปช้าทั้งหลายเกิดในใจใช่ไหมพระองค์ก็กำลาบเราว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอนะถ้าเธอทำบาปอากุศลรรมลามกเนียบายทุคติวินิบัตานรกจะเป็นของเธอที่พระองค์กำลาบนั้นแล้วกำลาบอีกเนี่ย ถ้าทางภาษาที่พระองค์สอนกับพระดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักไม่ถนอมเธอเหมือนช่างหม้อที่ถนอมหม้อดินที่ยังเปียกยังชุ่มอยู่แต่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักอยู่ในาศาสนาของตถ า, าคตได้นั่นแปลว่าอะไร ก็แ ป, ปลว่าพระองค์ได้ทรงกำหลาบเสียซึ่งคนกระด้างเยื่อยิงพระองค์ได้หมู่เทวดานับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระบระมาศาสดาพระองค์นะั้นด้วยศียงก้าวส่วนข้าวสัมพุทธโทนี้ก็มาจากคำว่าสามนี่นะสัญเจยังปารมิงสัมมาสันกิตวัสุขมัตตโนสังคารานขยังดิสวา สันตคามิงนา ม, ามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสะสมพระบารมีทั้งหลายมีฐานบารมีเป็นต้นโดยชอบทรงก่อสร้างความสุขแก่พระองค์ขึ้นได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเห็นความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารทั้งหลายแล้วได้บรรลุบรมธรรมมันสงบระงับแล้วส่วนคําว่าพุทธเนี่ยนะ มาจากคำว่าพุทธิตวาจตุสัจจานีพุทธาเปติมหาชนังพุทธาเป็นตังสิวัางมาคังพุทธาเษทังนา ม, ามิหังพระบรมศาสดาตัสรู้สัจจะทั้งสี่แล้วก็ยังมหาชนให้ตัสรู้ตามด้วย ข้าพเจ้าก็ขอนอบน้อมพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงช่วยสัตว์ให้รู้ทางดำเนินไปสู่พระนิพพานสนกระทั่พุพธแล้วก็โทคำว่าโทนี่เป็นคาถาที่สิบห้าโทติราเคจดเสจจา โทติโมเหจปานินางโทตะเกรสังมหาปุญญงังโทตาสวัางนามามิหังพัะผู้มีพระภาคเจ้าล้างเสียซึ่งราคะและโทสะทรงล้างเสียซึ่งโมหะของสัตว์ทั้งหลาย ข้าพระเจ้าก็ขอนอบน้อมพระบระมา ศ, าศาสดาซึ่งมีบุญมากมีกิเลสอาสวะอันล้างแล้วพระองค์นั้นโดยเสียงกลา